สาสิบสองเราเห็นแต่จิตไม่เห็นวงเล็บเปิดยี่สิบสี่มีนาคม25น้าห้าสบเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสาสิเจ็ดวงเล็บปิดเราเห็นแต่จิตไม่เห็นยังเราไปดูนะเออกายนี้เป็นทุกนะดูไปเออทุกจริงๆแหละแต่จิตไม่รู้สึกนะจิตยังไม่รู้สึกว่ามันทุกจริงอะไรอย่างนี้เราเห็นโน้นเห็นนี้บอกเราเห็นแล้วนะพอแล้วนะฉันบรรลุได้แล้วนะ แต่จิตไม่ยอม